ปัญญามรรผลนิพพานเป็นของเยี่ยมของวิเศษผูวงพอที่จาต่างหากนั้นเทิดทุนมันด้วยจนกระทําเป็นทุกวันนี้ทําไมเราเห็นเป็นของเร็วไปและสิ่งที่เร็วทำไมเห็นว่าเป็นของดีไปนั่นไมเป็นค่าสืบต่อสศาสนาจะเป็นค่าสืบต่อใครต่ออะไรนี่มันเป็นค่าสืบต่อเราจะเป็นค่าสืบต่อใครนี่ในซาตบินจะสร้างสะานแบบไหนอีกนี้ ได้ยินอะไร น, นะตัวทํามอินยังไม่ยัง ไ, ไ, ไม่พูดอะไรกับเรานะเดี๋ยวจะเข้าวัด น, นี้ไม่ได้นะธรรอินนะมาคำอวดเราเถอของไม่น่าอวดอย่ามาอวดเราให้เอามรรคผลนิพพานข้อปฏิบัติมาอวดแล้วเราจะยอมทันทีเลยเพราะเราสอนเพื่อทําเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้สอนเพื่อพุทิเพื่อสลาเพื่อรู้ความรู้หลาในวัดในวานั่นนี่น่ะ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่พาสอนนี่ <c oughs> เห็นไหมลูกมูรเซนนาธนัง มันเป็นกระลาลังอใหญ่บูหลังอใหญน่นเหลือกิเลสมันหน้าด้านนะจำไม่ดีทาไม่เคยหน้าด้านมีนนตัวหน้าด้านนะ่ะกิเลสเจียแสดงรุ่น ล, อน ล, ลาอยู่ในพระ น, นินินมีแต่ตัวด้านหน้าด้านนะั่น เห็นที่มาที่วิญญาจึงแสดงไม่ได้ไมันจะี่เลสกลัวหน้าด้านแสดงอย่างออกหน้าออกตาย อ, อย่างอุ้งอาจก า, ารหันอย่างรู้ลาอย่างภาคภูมิารอย่างครึ้มไปเลยอะละเรียกตัวนี้มันละเอียดขนาดนั้นเนี่ยคนไทยจะไปคุ้นกับยากุยมไม่ได้นะเพราะอย่างนี้ยากุยม วัดเราเนี่ยให้เห็นไม่ได้นะจะเร็วยิ่งกว่าไล่เน้นออกจากวัดเมื่อสองรามวันนี้นะใครจะเป็นตัวฉลาดตัวประจบประแจง น, นั่นนี่นะนาทีของใครของเราทำไปไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันนะทั้งร้างพื้นล้างกันทนะออออั้งนทะ่อน แก้อะไวนี้เหมือนกันดูมัวนี่มัขวางตาถ้าเตือนเราให้จําให้ดีนะเราไม่ได้สอนคนสอนอะไรเร่อนรับท่าเราไม่รับไมเรล่นๆ น, นะเราไม่สอนจริงๆเพื่อให้ดีให้ดีจริงๆ น, นะไม่ได้เพื่อให้เร็วนะโฆษณาพิเศษขนาดไหนเลยขนาดไหนมันไม่เห็น ี่เลสออกลวดลายออกหน้าร้านตลอดเวลาทุกทยาบททุกอา ก, การเพื่อนไหวของใจออกมาโดยลำดับสำดัไมีแต่กิเดสออกหน้าร้านประกาศขายความเร็วของมันโดยว่าเป็นของดีของดีโลกทิตาบอดหอุนหลวงก็เป็นบ้ากันในหมดเลยแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือพระปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นบ้าไปในวง ของศาสนาที่ว่าเป็นของเรล่ยของประเสรินั่นแหะกิเลสมันไปทำงานอยู่บนนั่นมันไม่เห็นเลยว่างไงอ่าที่มีไฟเหรอ